กันแบบต่อเนื่องเลยที่รออยู่ณนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะติดต่อไปที่สายของคุณบอยคุณบอยปัจจุบันนี้อายุ38ปปีครับบอกว่ามีประสบการณ์ที่ใช้ชื่อเรื่องว่าสยองขวัญหลังเที่ยงคืนจะมาเล่าให้ฟังครับทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเหตุการณ์แปลกๆนะครับที่ ที่เจอกับตัวเองตอนที่ตัวของคุณบอยเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทกำจัดมแมลงแห่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่คืนนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญฝากมาได้ทางอินบ็อกซ์ก็ได้ครับของทางแฟนเพจ The Ghost Radio ของเราครับ แล้วก็เข้าไปดูการจัดรายการแบบสดๆกันได้นะครับเอาละครับดูเหมือนว่าเราติดต่อได้เรียบร้อยครับเรื่องของคุณบอยตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณบอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเออผมโทรมาจากแถวแถวเกษตรนวมินครับอยู่ถนนเกษตรนวมินแค่นี้เองนะฮะใ่ครับปกติแล้วนี่ฟังรายการผ่านช่องทางไหนครับคุณบอยอืมส่วนใหญ่ผมจะฟังแห้งครับฟังแห้งย้อนหลังทาง youtube เอา อช่นะกันคืนอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการฟังเพราะว่าต้องตื่นไปทํางานอ๋อไม่ใช่ครับคือผมทํางานบางทีทํางานค้างวันเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทงานหนักระวังนะโอสุขภาพนะมันจะต้องใช้สมาธิใช้ความคิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคเ็รือธรรมดาของนักออกแบบอะไรแกมัต้องใช้อืมนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ฟังกันครับใช้เวลาว่างผมจะไม่พลา็ดครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่ณตอนนั้นตัวของคุณบอยเนี่ยทําอยู่ทํางานอยู่ที่บริษัทเกี่ยวกับการกําจัดแมลงครับผมใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้คือเป็นเหมือนกับนักออกแบบไปแล้วนะฮะโอ้นะครับสยองขวัญหลังเที่ยงคืนนี่เกิดขึ้นนาหรือยังครับคุณบอยคือมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอแจงนิดนึงครับอเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตอนที่ผม ทำงานกับเพื่อนที่เปิดบริษัทเล็กๆกันนะครับ<ช>แล้วก็เป็นบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับการกำจัดมแมลงอะไรอย่างเงี้ยอื ม, อ ม, อมทีนี้อ่างานที่ผมเข้าไปทําเนี่ยมันคือมันหลายที่ดังนั้นเรื่องราวต่างๆนานาที่เจอมันจะไม่ซ้ากันแล้วมันมันคือผมไม่รู้จะตัดชื่อเรื่องอยังไงออคือเขาเป็นว่าเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่<ถ>ประสบการณ์แบบเจอผีในในตอนที่ผมทํางานเกี่ยวกับกาจัดแมลงนะครับคือแน่นอนว่าต้องไปตามบ้านต่างๆสถานที่ต่างๆนะ อ่าใช่ครับทุกทุกที่เลยทีนี้ผมจะยกยกยกเรื่องนึ่งมาให้เล่ามาเล่าให้ฟังนะครับครับครับผมเอจะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่แถวแถวถนนเพชรบีซึ่งผมขอตรงนันิดหนึ่งว่าถ้าเจอดทรงเปิ่งไปมันจะไม่ดีดีฮะดีฮะอย่าอย่าไประบุมากนาครับผมอผมผมกับเพื่อนเนี่ยได้ได้คอนแทคกับที่ที่นี้นะครับเป็นสถานอาบอบนวนที่หนึ่งะครับให้เข้าไปทําการดูแลพวก ความสะอาดดูแลเรื่องพวกมแมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าเขาไปคอนแทคสัญญาปีหนึ่งทีนี้เนี่ย่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาทําเขายังไม่ได้เปิดของบูมนะครับชั้นสองชั้นสามจะมีทั้งหมดสามชั้นด้วยกันชั้นล่างเนี่ยคือเขาจะเปิดใช้บริการตามปกตินะครับส่วนชั้นสองและชั้นสามเนี่ยคือเขายังวีลเวกใหม่ฉะนั้นแล้วก็จะมีพวกอิฐพวกปูนที่โดนทุบโดนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรอการต่อเติมใหม่คือทําให้มันสวยงามขึ้นกว่าเดิม ทีเนี้ยเขานัดให้เราไปตอนประมาณทีหนึืมครับผมเพื่อไปทํางานเขาจะต้องเชิญคนของเขาให้ออกบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันนั้นแต่ถ้าเท่ากับวันนั้นเนี้ยคือคือเขาจบจบการบริกันของเขาไปแล้วออืแล้วเขาก็จะปิดสถานที่แล้วก็ให้เราเข้าไปทํางานที่นั่นนะครับเขานัดนัดผมกับเพื่อนไปอนน่ะตอนนั้นตีหนึ่งแล้วตอนนั้นอ่ะบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ก็จะมีกันแค่สองคนก็เลยเข้าไปทําตอนตีหนึ่ง อางที่เขาไปทาเนี่ยจะมียามคนนึงนะครับแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่เฝ้าแค่ น, นั่นึงอืมสถานที่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่เข้าไปแล้วมันจะเป็นถนนแบบ ย, วยาวๆเข้าไปคือเป็นเปิดลักษณลึกเข้าไปครับออ่าเข้าไปทีนี้พี่เาก็บอกว่าอามาแล้วคนแล้วใช่ไหมน้องเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้แล้วน้องขึ้นไปกันเองนะบอกอ้าพี่ ผมเพิ่งมาครั้งแรกพี่ต้องนําสิครับเออเราเพิ่งมาแล้วเขาจะให้เราขึ้นไปเองแล้วเราจะรู้ไหมถูกไหมแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมจะต้องไปเปิดไฟตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกพี่เขาเอากระดาษมาแล้วเขาก็วาดให้ดูว่าชั้นสองนะเป็นอย่างนี้ครับชั้นสองเนี่ยออืเขาอพอขึ้นไปเสร็จมันจะเป็นไฟและขวาตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นคัตเอาท์เป็นสวิตไฟต่างๆนานาที่ให้กด ก็ อ, อ, อย่างเงี้ยครับแล้วพอขึ้นชั้นสามเขาก็ว่าเนชั้นสามเนี่ยอพอทางซ้าย พ, <อ S 2> พอเลี้ยวซ้ายจะเจอห้องน้ำห้องแรกเลยนะและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ไฟสะพานไฟเหมือนกันแต่ชั้นสามเนี่ยสะพานไฟใช้ไม่ได้จะต้องไปกดตรงสะพานไฟชั้นสองเท่านั้น เออครับครับครับผมกำลังผมกําลังแปลกใจกับรอพคนนี้อยู่เอ๊ะแกอะไรของแกเนี่ยครับคือคืออะเราเราก็ไม่ได้เจอครั้งนี้ครั้งแรกอะไรเนี้ยครับแต่ประมาณว่าให้เราเข้าไปทํากันเองเอาเองก็พอเข้าใจอรับก็เลยเข้าไปแล้วก็เข้าไปตามทางที่เขาบอกเนี้่ยครั้งแรกผมก็ผมกับเพื่อนก็แยกกันอยู่ชั้นล่างซึ่งชั้นล่างเนี่ยเขาเขาปิดไฟหมดเลยแล้วเขาเขาไม่เปิดไฟครับดังนั้นเราก็จะมีแค่ไฟฉาย นะครับแล้วก็ไอ้ปองของฉีดยานี่ยนะเดินถือแล้วก็ฉีดยาเรื่อยๆไปแล้วก็จะมีมือถืออันคนละอันเอาไว้เปิดเพลงเพื่อปลุกความกลัวของเราในความมืดครับครับครับผมชั้นหนึ่งก็ขึ้นไปพอเสร็จชั้นหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นไปชั้นสองก็เปิดไฟอืทีเนี้ยเราก็มาตกลงกับเพื่อนว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปฉีดชั้นสามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ลงมาชั้นสองแล้วเสร็จแล้วกลับเลยอืมอือมโอเคงั้นครับโอเคก็ตกลงกับเพื่อนแล้วก็ขึ้นไปชั้นสามด้วยกับ พอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเราก็ไปเปิดสวิตไฟซึ่งเราไม่รู้ก็เลยว่าสวิตไฟตัวนี้ยพอเปิดแล้วมันจะไปเปิดจุดตรงไหนบ้างเพราะเราเข้าไปครั้งแรกระายามก็ไม่ได้พอปอกด้วยผมก็เลยเปิดมั่วเลยเปิดเปิดป่อพอเห็นาข้อมูลมันมีแต่งไปริปๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นใช้ได้แล้วแหละก็เลยขึ้นไปกับเพื่อนในขณะที่ขึ้นไปชั้นสามเนี่ยอผมได้ยินเสียงน้ําไหล น้ำไหลนะครับแต่ไม่ได้ไหลแรงค่ะไหลลักษณะเหมือนเป็นคนที่เปิดกรอกทิ้งไว้ไหลลงพื้นหรือไหลลงน้ําสูบน้ำครับคือเวลาเราเข้าห้องน้ําเนี่ยเราะจะได้ยินเสียงน้ําไหล่เสียงลักษณะกรองกรองแบบนั้นละคอับโอเคทีนี้ครับผมที่นี้ชั้นสามเนี่ยมันจะเป็นทางยาวถูกไหมครับแล้วมันมืดแล้วมันดึกประมาณตีหนึ่งแล้วไม่มีคนเลยะฉะนั้นเสียงมันจะก้องทุกอย่างมันจะก้องครับมันจะทําให้เราได้ยินเสียงน้ําเนี่ยที่มันหยดอยู่ได้ชัดเจนมาก ก็ขึ้นไปชั้นสามทีเนี้ยพยายามเขาบอกว่าทางซ้ายมือคือห้องน้าโอเคเราไม่แตตปลกใจรแกก็เสียงมันมาจากไหนครับพอเสียงมาจากห้องน้ําแต่เราก็หยุดอยู่ตรงชั้นสามเพื่อนนะครับพวกมาอยู่กันแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมน้ํามันยังไหลอยู่อืน้ํามันยังไหลยอยู่ได้ยังไงนี่มันตีหนึ่งแล้วนะครับแล้วพวกพนัก ง, งานหรือคนงานที่เข้ามารีโนเวทเขาไม่ปิดเขาไม่ดูแอะไรให้เรียบร้อยหรออืมก็สงสัยกลาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรโอเค แล้เวเราทิ่รีบๆทํา ง, งานแล้วก็รีบๆจัดการให้รีบร้บอนแล้วก็ยานยานกลับดีกว่าครับก็ไปเปิดประตูประตูเปิดไม่ได้ครับอืประตูห้องน้ําเนีลยมันบันดันเข้าไปไม่ได้มันถูกหลอกจากขอะไรลุกแล้วข้างในเนี่ยมันมีเสียงน้ําไหลอยู่อ๋ออ๋ออ๋ออออฮะทีนี้ก็เอ๊ะคุย ก็คิดว่าเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเข้าแน่ๆคือท่าห้องน้ำลบไปข้างในใช่ไหมครับแต่ทีนี้คือในห้องน้ํามันไม่มีคือปกติห้องน้ําบนเพดานข้างบนมันจะมีมันเป็นเป็นรูๆให้เห็นมันเป็นรูระบายอากาศครับรือข่าวบอกไหมครับอแต่ที่นี้มันตันหมดเลยมันไม่มีรูฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าข้างในมันเปิดไฟหรือปิดไฟครับครับเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในจะมีคนหรือเปล่าอ๋ออ๋อเพื่อนบอกว่าเฮ้ย หรือว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแลรบน้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันมันผิดปกติเพื่อนก็เลยช่วยกันคลอกๆประตูมีคนอยู่ข้างในไหมครับออืมีคนอยู่ข้างในไหมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่จะเป็นน้อบอกข้าไม่ดีแล้วลงไปเรียกยามไหมให้ยามขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ว่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปก่อนเราต้องทำอะไรตรงนี้ก่อนว่าเออมันมีอะไรไหมถาม้าถ้ามันสุในสกใส่ดีเดี๋ยวเราจะลงไปหายามอลองเบื้องต้นก่อนว่ายังไงครับ ก็พยายามเปิดประตูกันประมาณเกือบสิบนาทีฮะอืจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มันไม่ดีแหละก็เลยพยายามเดินกันมาสองคนจะลงไปหายามอืปรากฏว่าเราได้ยินเสียงดังกัดเฮ้ยจิ๋วครับผมเสียงถอยหลังมาเลยเหรอถอยหลังพี่เราหันหลังให้กัประตูห้องน้ําแล้วก็จะเดินไปหน่อยมี่ยืนเสียงดังแรกเฮ้ยเหมือนเป็นประตูลูกบิดที่ทําการบิดจากข้างในครับแล้วตัวล็อกมันตดออก ออไม่แค่นั้นออประตูมันค่อยๆแง้มออกห้ยมันแง้มหอกนะพี่คือคือปกติอไปประตูเนี้มันมันดันเข้าไปแหละแต่ลักษณะคือมันเปิดเปิดเปิดแง้มเข้าอ่ะมันเปิดโฟเบาครับทีนี้เราก็ยืนอึ้งอยู่สองคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าเราเราไปหลายที่เราก็รู้สึกว่าเออมันคงเป็นไม่ใชอะไรหรอกอมันอาจจะป็นผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรคือยังไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรฝังอะไรสุดอย่างครนะฮะ ผมก็เพื่อนก็เลยเดินเข้าไปที่ประตูแล้วก็พยายามเปิดแง้มเมื่อพี่มันไม่มีไฟไม่มีไฟออกมาเลยเหรอไ ม, ไ, มไม่มีครับบ้านะกลัวว่ะเดี๋ยวแล้วสาคัญกว่านั้นคื อ, อเสียงน้ามันไม่มีพี่ไม่มีเสียงน้ำไม่มีเสียงน้ำครับเราเข้าไปเราใช้ไฟฉายอ่ะซึ่งถือเอนคนละอันแล้วฉายเข้าไปที่ห้องน้ำอ่ะมันถูกทุบทั้งหมดโอวซ่วมไม่มีเฮ้ โอ้โห่ถสวมไม่มีไช้อรับตถส้วไม่มีออืแล้วสําคัญกว่านั้นอ่ะคือผมอ่ะผมผมผมได้สติคนแรกแล้วผมรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงน้ําอือฉะนั้นเราต้องเดินไปตรงก๊อกขอดว่าก๊อกขัดมันมีมันมีอะไรหรือเปล่าโอ้อ้มันอาจจะมีน้ําำก็ได้โอ้อ้ไม่มีไม่มีครับแห้งแห้งสนิทแล้วมีฝุ่นด้วยเฮยแต่ตอนแรกเนี่ยเรายืนยันได้ใช่ไหมครับว่ายืนยันได้ครับใช่ได้ยินเสียงน้ํามาจากในห้องนี้แน่นอน ที่ครับในปีหนึ่งะนะครับแล้วทั้งตึกมีแค่ยามกับผ้าแล้วไม่มีใครอยู่เลยนอกจากผมกับเพื่อนซึ่งอยู่กันชั้นสามฉะนั้นเสียงมันจะ ก, ก้องก้องเท่าเสียงอะไรหล่นหรือใครเดินอะไร อ, อีกหนึ่งจะได้ยิ น, นทันทีเพราะว่ามันมันอยู่แค่นั้ น, นะที่ห้องมันอยู่แค่นั้ น, นและแคบแคบแล้วทางมันเป็นทางตรงซึ่งเป็นไฟไฟดวงแล้วเว้นประมาณาดวงแล้วเว้นดวงแล้วเว้นสามดวงอะไรประมาณเนี้ยอืประมาณเนี้ยคครรัับบแล้วห้องก็สอยซ้ายกว่าซ้ายขวา ผมเอามือไปปาดตรงกอ๊อกมันแห้งพี่มันไม่มีอะไรเลยมันมีได้ฝุดอื่นพึ่งอะบอกว่าอืค่าไม่ดีแล้แหละไม่ดีแน่แน่เออเอางี้แมสเราลงเมข้างล่างแล้วเราไปปรึกษาญาตดีกว่าว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีครับโอเคก็เราตัดสินใจแล้วว่าเราเรายังไม่ทําล้เดี๋ยวเราจะลงไมฆข้างล่างก่อนแล้วไปถามยาตว่ า, วาเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันทํายังไงมันมีอะไ ร, ะไรเกิดขึ้นเล่าให้ผมฟังหน่อยหรืออะไรงไง คือตอนนั้นอะคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเพียใช่ไคิดถึงเรื่องว่ามันมันปิดผ้าทางเทคนิคเรื่องประตูเรื่องเสียงก๊อกน้ําหรืออะไรที่มันไหลตรงที่หรือเปล่าอะไรเงี้ย อ, อ, อ, อในขณะที่เราเดินออกมาที่เดินออกมาจากห้องน้ําและเลี้ยวขวาเพื่อจะลงบ<อ>ันไดประตูกดผมหุยจริงมาจริงครับไม่มีลมนะพี่ <laughs> วิว ด, ดูดิผมขนลุกแบบพิบัติดูดิขนลุกแบบเฮ้ย ครับผมที่มีลมนะพี่ที่มีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าห้องเนี้ยมันถูกปิดแล้วไม่มีสุริยปายทั้งหมดครับพอมันปิดปุ้งเสร็จคราวเนี้ยเสียงน้ําำมันไหลครั้งหนึ่ง<อ>แต่น้ําเนี้ยมันมันไหลติดเสียงน้ําไหลเนี้ยมันไหลทั้งชั้นผีดเสียงมันคล่องไปทั้งชั้นแสดว่ามันเปิดแรงเหมือนเปิดน้ําแรงๆง น, นั้นป่ะไม่ไม่ครับพี่มันไม่ได้เปิดแรงอคือเสียงมันเหมือนแบบเปิดเบาๆแต่ไ<อ>หลเป็นเส้น อย่างนั้นนะครับไใ้จังหวะที่ได้ยิงเสียงแล้วมองหน้ากันถือไฟฉายอมันมีเสียงเสียงหนึ่งที่มันกทบอยู่เราัองคุณคือเป็นเสียงหุ้หญิงคลางอุ้ยเออเป็นเสียงผู้หญิงคลางอยู่มันมีเสียงกไกลๆให้ให้ผมทําเสียงไหยครับอ่าลองลองอยากฟังอยากฟังอุ้ยนั่นกูบอว่าจริงเหรอ เสียงี่เสียงแบบผิดมันุษ้สมานามากเลยนะที่ผมสาบานเลยผมเจอกับเพื่อนสองคนถ้าวันถ้าถ้าผมเจอเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะอให้เพื่อนผมอะโทรไปเล่าอีกทีในสิ่งนี้ผมกำลังพิดเล่าให้ที่ฟังเพราะเราเจอกันสองคนขอขอเสียงที่ไหมขอเสียงที่ไหมทางนี้นะครับอ๋ออ๋อมันเป็นเสียงที่อยู่ไกใจอะพี่อแต่มันไม่ได้ดังนะแต่เราได้ยินออื แต่เรารู้แท้ๆว่าเสียงน่้นเนมาจากทางทิศไหนซึ่งมันอยู่ข้างหลังและเรากําลังหันหลังเพื่อที่เรากําลังจะลงบันไดใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องผมกับเพื่อนเนี่ยค่อยๆหันหลังไปและฉายไปฉายไ ป, ายไปทางเดินที่มันเป็นทางยาวไอสิ่งที่ผมเห็นผมกับเพื่อเนเห็นคือเป็นผู้หญิงคนหนึงยืนอยู่ใต้หลอดไฟซึ่งไกลในที่ประมาณประมาณเกือบเกือบเกือบสิบกว่าเมตรละเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ และใส่เหมือนเป็นชุดคุมท้องอที่ครับแล้วมันมีน้ําเนี่ยไหลออกมาระหวังอจริงเหรอจริงครับพี่เฮ้ยทั้งนั้นทุกอย่างมันตอบเราได้หมดว่าเสียงน้ําไหลมันคืออะไรอ๋อสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นเลือดอที่ไหลออกมาหวังขาเขาว่ะแต่ไม่ได้ไหลเยอะแต่ไหลเป็นสายน้ําซึ่งคือมันหยดแล้วหยดแล้วเป็นสายน้ําทําให้มันคือมันมันเกิดเสียงที่ครับ มันเกิดเสียงแล้วก็ค้างอืย่างเงี้ยแล้วผมผมก็เพื่อนก็สตราร์ทเงนยอยู่ตรงนั้นซึ่งทําอะไรไม่ถูกเขาคิดว่าเฮ้ยคือตอนแรกเนี่ยมันมันสับสนในหมดว่ามันมันคืออะไรมันคือผีมันคือคนหรือมันคือใครเพราะว่ามันจะต้องมีคนงานกา่อสร้างที่เขาอาจจะต้องพักทีก่คือโลาเราพยายาหาเหตุผลทุกอย่างเขา้ามาตกเข้าใจเออใช่ใช่ครับอาจจะมีอาจจะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้คือคนงานก่อสร้างเขาอาจจะตกเลื่อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้ ถูกไหมครับผม<อ>แล้วผมก็คิดถามใ่ใจว่าแล้วใครเขาจะมายืนคดอยู่ตรงนั้นทาไมออแล้วชั้นสามมันปิดไฟมืดหมดเลยเพราะว่ามันต้องเปิดจากชั้นสองแล้วเขาอยู่ชั้นสามได้ยังไงอืผมกับเพื่อนยืนถือไอ้ถังถังฉีดยาฆ่ า, มาแมลงอ่ะพี่ยืนกันสองคนในนั้นนาทีนั้นเนี่ยเขาอื้ออื้อพี่แล้วเขาพุ่งเข้ามาโอ้ยไอ้สิงหัวพุ่งหมาที่ว่าวิ่งเข้ามาหาอย่างนี้เหรอ คือพยายามเหมือนกระสือะสงจะวิ่งเห็นไหมพี่ผมกับเพื่อนทิลงทางเลยพี่แล้ววิ่งจากชั้นสามลงมาชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็โค่นวนวายบอกหลอกผีล้อเพราะเปิดประตูออกมานะพี่ยามอ่ะมันเห็นผมกับสงคนอ่ะผมกับเพื่อน2คนวิ่งอ่ะยามกับมาวิ่งเลยครับอะไปแล้วหรอไปแล้วครับ วิ่งนำหน้าผมไปเลยแล้ววิ่งหายไปเลยคือตอนนั้นนายหายไปได้ยังไงตอนนั้นมันไม่ขำนะแต่ผมฟังว่าเขาขำเอ่ใช่ตอนนั้นผมไม่ขำผมรู้สึกว่าผมอยากร้องไห้อยากอ้วกอยากอะไรต่างๆ่างานท้องเสียท้องมวลมนเท้ออะไรแทบไม่หมดเลยคือพอเปิดประตูมายามเห็นเราสองคนพุ่งมาจากประตูเขาวิ่งไปพร้อมกับหมาเลยแล้วหมาเขวิ่งเลยนะพี่คือหมาเห็นแล้ววิ่งเลยอ่ะคือผมกับเพื่อนก็งงมากแล้วเพื่อนเราจบคนมาบอกว่า ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อออืเผมกับเพื่อนก็ขึ้นรถเป็นคนละคันแล้วก็ขับออกไปเลยแล้วทิ้งทุกๆอย่างอยู่างเงี่ยอยู่ออยยูู่่ที่ตึกนั่นนะครับครับผมแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์กันที่ที่ที่ออฟฟิศของเราตอนประมาณ4 3มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอานี้แล้วกันอย่าเพิ่งพูดอย่าพูดแรงซิ้นตอนเนี้เรากลับบ้านเราไปนอนกีกก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ออืพี่ครับ ถึงพันมาปันทีสามซึ่งมันนอนได้ทับหรอกอ๋อโอ้มันเจอมาขนาดนั้นใครจะไปนอนหลับผมถามหน่อยอ่ะใครจะไปนอนหลับเฮ้ยผมจะจะบอกว่าเจอหนักมากเลยนะรอยหนักมากแล้วหลังจากนั้นพอรุ่งเช้าเสร็จเราก็ผมก็ผม่ก็ขับรถไปที่ออฟฟิศแล้วก็ไปไปคุยกับเพื่อนเพื่อบอกลูกค้าเขาเรียกลูกค้าเขาเรียกค่อยๆให้ไปที่ที่ที่ง่นที่เราไปทํำนะออืบอกเขาเรียกเขาบอกว่าทําไมมาทำแล้วมาชิ้นอุปกรณ์นี้อือี มาทิ้งอุปกรณ์เก่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีคนงานก่อสร้างเข้าไปทําการทํางานของเขาอะรีเนเวทมาของเขาอะเป็นเจ้าทีมเขาผมก็เลยผมกับเพื่อนก็เลยเข้าไปที่ออไปที่ที่อ่าที่ที่เลือกที่ลูกค้าครับแล้วก็เข้าไปหาเขาเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทิ้งถังถึงทิ้งอุปกรณ์เงี้ยคือพี่ผมกับเพื่อนเล่าไม่ได้อืเพราะเราไม่รู้จะเล่าอะไรให้ลูกค้าฟัง คือถ้าเล่าไปถ้าเขารู้ก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาจะบอกว่าเราเพิรเจอร์นะใช่ทอแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเขารู้สึกว่าคร้ยมืงเป็นคนนัี่คือมันเล่าอะไรเนี่ยเล่าอะไรที่แบบมันอย่างเงี้ยเอ้ยไม่น่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือเราขอไม่จ้างคุณดิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็เรื่องเงินไปแล้วปรากฏว่าคือผมก็เพื่อนก็เลยบอกว่าอืผมดูจากฟานที่แล้วคือไม่สะดวกที่จะทำงานครับครับแล้วผมขอยกเลิกสัญญาเลยอาจารย์จะบุกคืนเงินแท้ง ก็กลายเป็นว่าหยุดสัญญาสัญญาปกติสัญญาที่เราทําเนี่ยก็จะมันมันจะเป็นหนึ่งปีนะครับหนึ่งปียาวเลยแล้วก็เข้ามาดูแลเข้ามาดูแลทั้งหมดหกเดือนติดต่อกันแล้วก็ประกันทงินทั้งหนึ่งปีเลยอย่างเงี้ยก็ขอยกเลิกเขาไปแล้วก็คืนเงินเขาไปทั้งหมดเลยอืหลังจากนั้นคือลูกค้าเขาก็งงแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆเราถึงยกเลิกสัญญาแล้วก็คืนเงอินอะไรเงี้ย hmm. เขาก็บอกว่าเฮ้ย าการที่คุณเอาอุปกรณ์อะไรมาทิ้งเนี่ยผมไม่ได้โทษคุณเลยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผมจะยกเลิกของคุณผมแค่อยากรู้เหตุผลว่าทำไมคุณทิ้งคุณลืมหรือเปล่าอ้ท่า น, นได้บอกผมว่าไม่เป็นไรครับงั้นผมขอยกเลิกสัญชาตแล้วกันไม่ไหวจริงอริงแล้วผมก็ขึ้นไปข้างบนชั้นสามี่บรรยากาศมันต่างเดียวกันซึ่งปีหนึ่ง นะครับกัี่โมงเช้ามั น, ม, นมันคนละเรื่องไงทุกคนคนงานขอสร้างก็ขึ้นไปแล้วก็ไปทํางานหน้าที่เขาผมก็ขึ้นไปแล้วเจอหัวหน้าคนงานเขาบอกว่าพี่ผมเก็บไว้ให้ร้างสองถังของ<ะ>พี่ใช่ไหมครับ<ะ>บอกใช่ครับใช่ครับอย่างเงี้ยพี่ผมถามหน่อยปกติเนี้ยพี่พักกันที่นี่หรือเปล่าบอกไม่ได้พักครับปกติผมเลิกงานแล้วผมก็กลับกลับไปหมดเลยเพราะเช่าห้องอยู่ทำเนี้ยกลับไปหมดเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ย แรกๆอ่ะเขาพักอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาเอาเต็นท์มามานอนนี่นี่แต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่นอนของเขาเขาก็เลยไปเช่หาห้องข้างนอกพอเขาถัมผมก็ถามว่าพี่เจออะไรหรือเปล่าอหมายถึงผมผมถามคนพี่พี่หัวหนคนา ง, งานมา้างครับพี่ยุ่งงานของับเขาบอกว่าอืมส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเห็นอะไรนะแต่ได้ยินเสียงแบบเหมือนคนร้องไห้อะไรอย่างเงนะี้ยแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นจากที่อื่นเพราะว่าครับ แถวนั้นอะคือก็อจะมีสถานบันเทิงเริงรื่อะไรเงี้ยติดติดกันอะไรอย่างเงี้นก็อาจจะเป็นที่อื่นแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ติดใจอะไรครับม อ, องเงี้ยแล้วแล้วพี่ไม่ได้พักนี่แล้วพี่เลิกกี่โมงครับผอ๋ อ, อกกเลิกวัยสามเลิกวัยสามผมผมกับเพื่อนยืนอึ้งเลยแน่นอนและแน่นอนและ อ, อืมพี่ขับพี่ทํางานก่อสร้างพี่ทํางานอย่างเงี้ยเลิกเลิกสายช้าหมดแล้วเออจริงจริมันต้องเลิกหกโมงเย็นนะ ครูครับผมโงเย็นหรืออ ะ, อะไรเงี <ผม S 1> ้ยบอกก็บอกไม่ได้ครับคือคืออเอาเป็นว่าผมผมไม่เข้าใจกอีผมแค่<ข>บอกว่าเรื่องหมสาแล้วกันไหมพี่นะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแต่เข้าไปเลยเขาพูดอย่างนี้เหรอพู ด, พดอย่างี้เลยพี่มีเลขสไนัยแน่แน่มีเลสไนน์แน่นอนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในคําพูดแน่นอนเอ่ครับอือฉะนั้นแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยเมื่อเลยไม่รอช้าครับ จากจุดบันไดชั้นสามที่เราเคยยืนอึ้งกันเมื่อตอนปีหนึ่งกว่าๆเนี่ยเราก็เดินไปตรงจุดนั้นจำจุดจุดนั้นได้ที่ผู้หญิงนั้นเขายืนอยู่แล้วเขาพยายามพุ่งเข้ามาหาผมกับเพื่อนเนี่ยพอเดินเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนลแหละไม่มีอะไรมันมีหินหินมีหินที่โดนทุบโดนอะไรเป็นที่ปกงทางวัดก็ไปทำงานตรงนั้นจังแครมันผิดสังเกตตรงที่ว่าข้างขวามันเป็นประตูห้องครับและมันเป็นห้องที่เอาไว้ตรวจภายใน จริงปะจริงครับเป็นห้องตรวจภายในของสถานบันเทิงแห่งนี้เหรออ่าผมไม่รู้ผมพูดได้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องพูดดีกว่าหนึ่งทุกทุกอ่าโอเคโอเคคือคือคือผมไม่ได้พูดชื่อแต่หมายความว่าทุกทุกที่ก็จะมีห้องนี้ทุกที่เอามีจริงๆริงเหรอต้องมีครับต้องมีห้องนี้ทุกที่พระเขาจะต้องตรวจร่างกายตรวจอะไรประจําอืมโอเคโอเคพี่ครับพอเปิดเข้าไป พอเปิดเข้าไปมันมีทุกอย่างครบมันมีทุกอย่างในการตรวจทั้งยังครบหมดเลยแล้วมันเป็อุปกรณ์หมดใช่ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เก่าแล้วขาดบ้างหักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่สลิงยังมีเลยทีสําคัญกวานั้นพอโอเคเราเข้าใจแล้วมันคืออะไรพอปิดประตูมามันมีรอยเลือดผมกับเพื่อนมั่นใจว่ามันคือรอยเลือดออืจางๆซึ่งมันเหมือนแบบ เลือดติดมือรับป้ายอพี่ครับครับป้ายประตูตรงนั้นอ่ะออืโอเคทุกอย่างมันมันมันมันตอออย่างที่เราเห็นเรารู้หววมดแล้วว่ามันคืออะไรแต่เราไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอืแต่เรารู้เรื่องราวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาต้องอยู่ตรงนั้นทําไมเราต้องเห็นในสิ่งสิ่งนั้นและทำไมโชคชะตาต้องทําให้เรามาเจอกับผู้หญิงคนนี้นก็ก็โชคแั้แล้วเราก็แยกย้ายกันกลับแล้วเราไปทําที่อื่นกันต่อโอ้โห โอ oh, ้เฮยคุณบอยคุณเจอหนักมากนะคุณเจอแบบโคตรโหดอ่ะเออครับคือเจอเริ่มมาจากเสียงเริ่มมาจากค่อยๆไต่ระดับความแบบครับแสดงการแสดงของเขาอ่ะผมใช้คําว่าการแสดงการแสดงในที่นี้หมายถึงว่าการแสดงให้รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นอ่ะค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นใช่ครับโอ้แต่หลอนสุดคือเสียงครับผมบอกเลย โอโหเสียงมันแบบ ม, มันมันไม่เหมือนคนครางมันเหมือนคนค น, คนทรมา น, นอ่ ะ, อะเออมันทรมานเจ็บ<า>ปวดอ่ะใครับอ่อนาน่แหละอันนี้เป็นหนึ่งในผมร้ อ, อ, อยกว่าเรื่องที่ผมเจอเดี๋ยวนะคุณคุณบอยตอนนั้นทําเกี่ยวกับบริษัทกําจัดแมลงเนี่ยครับทาทั้งหมดนานกระดาษไหนอ่ะครับอ่าผมใช้เวลาอยู่กับเพื่อนประมาณสามปีนิดน สามปีนิดนิดแสดงว่าก็าต้องไปทำงานแนวเนี้ยไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเยอะเลยหรอครับถูกวันพีแล้วก็สถานที่แต่และสถานที่คือเราไม่ได้รับทำบ้านอยู่แล้วแน่นอนว่าคือเราเป็นรูปแบบของการรับเหมาถูกไหมฮะใช่ครับมัต้องไปปึกต่างๆ<ช>่แล้วก็ต้องไปทำตอนกลางคืนตอนที่พนักงาน<ช>เขาไม่มีใครอยู่แล้วใช่ครับพี ผมกับเพื่อนเนี่ยคือจะต้องขึ้นไปขึ้นไปในขณะที่ไม่มีคนอยู่เลยแล้วมันเป็นช่วงเวลาประมาณปีหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยคแม้แต่โรงภาพยนตร์ที่แบบเป็นหนังเรื่องหนังัควบอะไรเงี้ยอน่ากลัวมากครับจริงมากๆนะเหตุการณ์ที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์นี้ถือว่าหนักที่สุดแล้วใช่ไหมจริงๆยังไม่หนักครับอยังเงินมากกว่านี้นี่หรอมีหน้ากรณีครับโอ้อยากฟังต่อจังเลยอ่ะ ผมฟังพี่ๆทุกคนนะครับที่เขามาเล่าที่เขาบอกว่าได้คุยกับคนตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้ว่าคนที่คุยเนี่ยตายแล้วเน <S S S 1> ี่ยตอนแรกนะถ้าเกิดคนฟังก็อาจจะเบื่อแต่ผมขอยืนยันว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอ้าวเหรอแม้แต่ผมเองผมกออ็เชิดโอ้โ อ, อ้ผมไม่แน่ใจขอเสียงโหวตผู้ฟังหน่อยว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าตัวของคุณบอยยังยังไหวอ ย, อยู่นะอ๋อได้ครับเดี๋ยวอีกสักเรื่องหนึ่งแต่ขอเบรกก่อนโ<ข> อ, อ, อ้อได้ครับนะนะเพราะคุณบอยเป็นคนที่ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ได้ดีนะคือลําดับเรื่องได้แบบโอ้โหทำผมขนลุกแล้วขนลุกอีกอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะที่เหตุการณ์ที่เจอไอ้เหตุการณ์ตรงห้องน้ําอ่ะผมว่ามันมันมันพีคมากเลยนะ ค, คือตอนแรกเหมือนล็อกตอนแรกเหมือนล็อกนะฮะไปไปเอามาคือเราจะค้อยหลังไปมันปลดล็อกของมันอ่ะโอ้โหแบบโอ้โยนะฮ ะ, นะ<ต>มีแต่คนมีแต่คนบอกต่อนะฮะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไปพักอับเทปแป๊บหนึ่งคุณบอยนะฮะครับคุณบอยครับขออีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าไม่แพ้เรื่องเนี้ยที่ไปทํางานมาเออที่ไปทำงานมาแล้วหนักๆเลยเอาที่ผมผมรู้สึกกลัวดีกว่าเอางนี้อ๋อแล้วเที่ผมรู้สึกเพราะว่าบางบางเรื่องเนี่ยที่ผมเจอผมว่าผมกลัวแต่อาจจะไม่อาจจะไม่กลัวสําหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่าจะเป็นยังไนครับเอาเกินๆนิดหน่อยว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่นี้ อืมเป็นบ้านคนดีกว่าอ่ะเป็นบ้านคนเลยนะะเป็นบ้านคนครับผมอ๋อเราก็ไปทํางานในแนวนี้เหมือนกันถูกไหมก็ก็อ่าไม่ได้หมายความว่าเราไปที่สถานค่ะผมพูด อ, อย่างเดียวนะครับคือบางทีเนี้ยก็จะมีแบบปานตอกทางแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ไปทําบ้านนี้ให้หน่อยสิ อ, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดค่าบริการมาก็ว่ากันไป อ, อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมกับเพื่อนก็เข้าไปแล้าก็ไปเจออะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านหลังนั้นน่าสนใจมากเอาละฮะคุณผู้ฟังคุณบอยครับเดี๋ยวเราไปพัก หายใจหายคอกันแป๊บนึงนะครับให้ให้ใจมันสงบกว่านี้แป๊บหนึ่งคุณบอยวางสายก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่บัตติดต่อกลับไปใหม่นะครับหลั ง, ง, งจากเบรกสปอตโฆษณาช่วงหน้าครับอีกสักหนึ่งเรื่องผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอยากฟังต่อนะครับว่าเรื่องของบ้านหลังเนี้ยที่คุณบอยก็ไปทํางานมาไปเจออะไรมาอีกนะครับที่คุณบอยบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณบอยกลัวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะคุณบอยนะครับขอบคุณครับ